เสียงอ่านหนังสือเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวเล่มห้างานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้ดาวนโหลดเสียงบรรเลงเป็นโนมาประกอบขอบคุณพิเศษสำหรับคุณรุ่งทิพดวงพยับที่ส่งต้นฉบับมาให้อ่านเสียงนะครับแรงบันดาลใจเล่มห้า หนังสือเล่มนี้รวบรวมเอาคำถามคำตอบจากคอลัมน์เตรียมสเสบียงไว้เลียงตัวในนิตยสาราบางกอกรายสัปดาห์ตั้งแต่ฉบับที่ 2,471 จนถึงฉบับที่ 2,484 โดยได้ผนวกเอาบทส่งท้ายคือระหว่างคำคมกับคำจริงซึ่งยังไม่เคยลงตีพิมพ์มาก่อนเข้าไว้ด้วยในฐานะนักเขียนผมจำเป็นต้องมีวิธีที่จะคิดอะไรใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆและทางเดียวที่จะเป็นเช่นนั้นคือ คิดไม่หยุดทุกภาพทุกเสียงทุกัสษะกระทบที่เข้ามาในแต่ละวันอาจถูกแปลงเป็นคำที่มีความหมายน่าฟังได้ทั้งนั้นพูดให้ง่ายคือถ้าแปลงชีวิตประจำวันเป็นคำพูดได้ก็เป็นนักเขียนได้แต่ถ้าทาไม่ได้หรือพักความคิดระยะหนึ่งจนหัวทื่อก็แปลว่าถึงเวลาเลือกดารงชีพด้วยแนวทางอื่นแทน แต่ในฐานะของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชมชอบรสสมาธิอันดื่มดำรสสมาธิอันประกอบด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องรสสมาธิอันประกอบด้วยความรู้ความเห็นสรรพสิ่งเกิดดับตามจริงตรงนี้ผมจำเป็นต้องมีวิธีที่จะหยุดคิดอย่างสิ้นเชิงเจตต้องเข้าโหมดพักคิดเลิกใส่ใจกับการมองโลกโดยความเป็นแหล่งกาเนิดไอเดีย แล้วหันมาพินิจอยู่กับประสบการณ์ภายในที่เรียบง่ายปราศจากขั้นตอนปราศจากความวุ่นวายซับซ้อนทางภาษาและกระทั่งปราศจากความห่วงใยทั้งชาวโลกและตัวเราให้เด็ดขาดความเป็นนักเขียนกับนักสมาธินั้นดูดูไปเหมือนแตกต่างกันหรือกระทั่งขัดแย้งกันเป็นคนละขั้วทว่าจะประสบการณ์ตรงผมขอยืนยันว่า มันไปด้วยกันได้และเป็นไปอย่างสันติไม่รบราแข่งแย่งกันแต่อย่างใดทําไปทํามจะพบความจริงในชีวิตที่สำคัญประการหนึ่งเสียอีกนั่นคือถ้าพักไม่เป็นแปลว่าเราทำงานไม่เป็นและเมื่อทํางานไม่เป็นงานของเราจะไม่ดีแถมชีวิตและสุขภาพโดยรวมจะพลอยล้มเหลวตามไปด้วยเพื่อทางานให้เป็น ขอเพียงเข้าใจหลักการที่เรียบง่ายให้แม่นยำคือคิดเมื่อควรจะคิดหยุดคิดเมื่อไม่จำเป็นต้องคิดเป็นหลักการที่ฟังดูง่ายและสมเหตุผลทว่าออกจะเข้าใจถึงยากสักหน่อยแม้ผมจะฝึกมานานก็ใช่จะมีชีวิตประจำวันสอดคล้องกับหลักการดังกล่าวไปทุกนาทีมีบ้าง ที่ยังคิดในเวลาที่อยากหยุดแล้วเวลาที่ต้องคิดอ่านให้ทันเวลาก็ยังอาจช้าอาจเฉยพูดง่ายๆยังเป็นคนธรรมดาที่ต้องฝึกพักให้เป็นทำงานให้เป็นกันต่อไปและกว่าจะเป็นจริงๆก็อาจใกล้ตายถ้าว่านั่นก็คุ้มเพราะการฝึกตนเป็นกรรมอันประเสริฐอย่างยิ่ง ปีนี้ผมเคยชินมากขึ้นเรื่อยๆกับการเข้าหาสิ่งที่กระตุ้นให้กระตือรือร้นทางความคิดแบบนักเขียนขณะเดียวกันก็พบอุปสรรคน้อยลงขณะต้องการเสพสุขอันวิเวกทางจิตวิเวกแห่งการไม่เห็นสิ่งใดเที่ยงวิเวกแห่งการรู้เป็นขณะขณะว่าไม่มีสิ่งใดเป็นตัวตนให้ต้องติดข้องอะไรหลักการของการเริ่มฝึก ไม่ได้ยากเย็นอย่างที่คิดก่อนอื่นใดต้องหันเห็นตามจริงให้เป็นเอาแบบง่ายๆก่อนคือถามตัวเองว่ากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกไม่ใช่กำหนดลมหายใจเพื่อทำสมาธินะครับเอาแค่รู้ว่าที่คุณกำลังปรากฏในโลกความจริงขณะ น, นี้ร่างกายของคุณต้องการลากลมเข้าหรือระบายลมออกแม้หนึ่งชั่วโมง คุณทำได้ครั้งเดียวก็เท่ากับแต่ละวันคุณสั่งสมสติรู้ลมหายใจไปแล้วเกือบ20ครั้งทำครบหนึ่งปีก็เอา365คูณ20เข้าไปอย่างไรก็ต้องเก่งกว่าวันแรกแน่ๆขี้หมูขี้หมาคุณจะพบว่าชีวิตดำเนินตามหลักการคิดเมื่อควรจะคิดหยุดคิดเมื่อไม่จำเป็นต้องคิดไปได้อย่างเหลือเชื่อ เมื่อรู้และเห็นความจริงจากภายในเส้นทางกรรมวิบากของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคนอย่างน้อยคุณจะได้ลมหายใจเป็นหลักฐานของความเปลี่ยนแปลงอันเป็นนิรันด์คุณจะเห็นความต่างของลมหายใจที่เดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็สั้นเดี๋ยวก็หยาบเดี๋ยวก็ละเอียดความจริงที่ปรากฏผ่านลมหายใจต่างอะไรกับความจริงในโลก ที่ปรากฏให้พบเจอชั่วนาตาปีความจริงมีอะไรบ้างโลกนี้ต้องเปลี่ยนไปโลกนี้มีเหตุผลเสมอทางเดียวที่คนเราจะทำดีเอาตัวรอดได้อย่างถูกต้องคือต้องเข้าใจและรู้ตามจริงว่าใดๆในโลกล้วนเป็นไปตามเหตุผลกลกรรมใดๆในโลกล้วนไม่เที่ยงทำบุญจะเป็นสุข ทำบาปจะเป็นทุกข์ไม่มีใครเสวยรสที่ตนปรารถนาได้ตลอดไปช้าเร็วไม่มีใครหนีกรรมตัวเองพ้นชนะศาลโลกได้แต่ไม่มีวันชนะศาลธรรมะกันเลยในเมื่อทุกคนมีกายใจตัวเองเป็นผู้พิพากษาในศาลธรรมะกันอยู่แล้วส่วนหนทางชักนาไปสู่การกระทาที่ผิดพลาดหนทางที่นาไปสู่ความล้มเหลว ความเสียใจความร่ำไห้รำพันคนเราไม่ต้องทำอะไรเลยนอกจากสำคัญผิดไปเรื่อยๆเห็นกรรมวิบากเป็นเรื่องหลอกเด็กเห็นการทำมาหากินและการกอบโวยเข้าตัวเป็นเรื่องจริงเรื่องเดียวที่น่าใส่ใจถ้าจำเป็นต้องหน้าด้านจงหน้าด้านถ้าจำเป็นต้องหักหลังจงหักหลังความคิดความเชื่อเหล่านี้ไม่ต้องอาศัยพหานะในการแพร่ระบาด เพราะทุกคนเกิดมาพร้อมกับความโน้มเอียงที่จะคิดได้ด้วยตนเองอยู่แล้วสรุปทิ้งท้ายเมื่อนักเขียนซึ่งมีหน้าที่คิดหนักยังพักความคิดได้คนในสาขาอาชีพอื่นก็ต้องพักได้เช่นกันและพักเป็นก็ขอให้เห็นความจริงนอกที่ทำงาน ซึ่งฉายชัดอยู่ทั่วทุกมุมโลกกันนะครับลงชื่อดังตรินท่านวาคมพุทธศักราช 2,548